บุ๊กทูสี่สิบนาละเยการสอบถามทางโดวลอนีอะไกนดีขอโทษค่ะชชมินฉันดีช่วยดีฉันทีได้ไหมคะมีรนาคุสหายันเจกละ แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะอีชุดตุปักกะเปเลยเดนามันชีร์ริสตอร์เรนท์วุนดาเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะชีวรินะเอเดมมาไปปกิเตรกันดิต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะตารวาตาควนตาดูร์มเนรุกาเวลเลนดีต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ อาไปวันเดียวมีเดอร์ลักูกรีบไปพกติกันดีคุณสามารถไปด้วยรถเมย์ก็ได้มีรู้บัสโล่กูด้าเวลล์ลชคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้มีรู้ tram โล่กูด้าเวลล์ลชชคุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้มีริมีคาร์โลน่าเวนคาล็อกูด้าราวัชชู ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะเน้นฟุตบอลสเตเดียมกี่ยัละาเวลลัข้ามสะพานไปค่ะวนเตนนี่ดาทีเวลเลนดลอดอุโมงไปค่ะต่นันลโลนชีเวลเลนดขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ มุดเข้าที่สัญญาณเชียรขึ้นวปบริเวลนด้ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะอักขระมีกุดรู้ใจพนักงานมาเลทวีโลกีเตเรกันดีต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปอัปปูนักสต์ชาวรัสเซนนดีเนร์กาเวลันดีขอโทษค่ะ ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะเขมินฉันดีวิมาน k สรียนกี้ยลลาเวลลาลีวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินมีรู้สับเวอันดร์รอวนุนดีเวลดมันชดิออกที่สถานีสุดท้ายอากาศสต็อปวัดดาไบเต็กุเรนดี